ท่านจะถามว่าเข้าใจไหมเราบอกเข้าใจนะท่านบอกไปไปปฏิบัติเนาะคล้ายๆสมัยพุทธาการเราไปเรียนร้ไปเรียนจับพระพุทธเจ้าเราเรียนรู้เรื่องแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไล่เหมือนกันโน่นโกไม้นั่นเรือนว่างนั่นภูเขานี่ทำให้เป็นปฏิบัติเนาะฉะนั้นปกติหลวกพอจะหวงเวลามากนะรู้สึกชีวิตเราแต่ละคนมีจำกัด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 นี่เราพูดกันอย่างนะักปฏิบัติพูดนะไม่ได้พูดเถียงกันเล่นๆจิตใจของคนเราแต่ละคนนี่หลงตลอดเวลาแตะทั้งคนที่บอกว่ารู้สึกตัวไม่รู้สึกจริงหรอกถึงรู้สึกตัวก็รู้สึกด้วยสติธรรมดาไม่ใช่รู้สึกอย่างที่มีสัมมาสติหรือสัมมาสมาธิหรือมีสัมปชัญญะทำกับงั้นจะต้องใกล้ๆเรียนนะจนสติตัวจริงเกิดจิตจะตื่นขึ้นมาช่วขณะ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 ตอนไหนฟังรู้เรื่องหรือบางฟังหลวงพ่อพูดให้ตลกตลกจิตใจสนุกสนานขึ้นมารู้ว่าสนุกสนานขึ้นใช้ได้คร<ช>ัเรียนธรรมะเรียนจัดตรงนี้นะเรียนจัดของจริงในใจของเรา<ช>ไม่มีใครสอนธรรมะไปได้ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัว<ช>เรียนอยู่ที่กายที่ใจกายกับใจเท่านั้นถึงจะสอนธรรมะเราได้<ช>คนอื่นบอกได้แต่ทางนะบอกว่าหัดมาดูกายหัดมาดูใจสิ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 บางคนคิดว่าถ้าไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้กลิ่นไม่ต้องได้รสเนี่ยจะดีถ้ามันดีจริงนะคนตาบอดมองไม่เห็นเนะี่ยจะบรรู้ทําเร็วคนหูหนวกนี่ตาบอดด้วยหูหนวกด้วยยิ่งบรรู้เร็วใหญ่ก็นะลดไปสองอายตุตนะถ้าเป็นโรคเรือนด้วยนะไม่รู้สัมผัสทางกายแล้วไนปะลวกมือก็ไม่รู้เป็นโรคเรือนด้วยก็ยิ่งดีใหญ่หมดไปอีอายตนะหนึ่งถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงทฤษฎีหลีกเลี่ยงขักแย้เป็นจริงเนะี่ย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 ผมควรแกเวลาแล้วมั้ง4ี่โมงอะไรนะแค่โมงสิบห uh ้เงหรอหลวงพ่อร <oh ู Ooh, league, ้สึกเพลเสนเลยน้าเชิย์อ๋อคนนี้หวังดีเราไห้หลวงพ่อฉันน้ำกับกลับนัสการพระอาจารย์ค่ะคืออยากจะเรียนถามนะคะว่าเวลาที่เราเผลอเผลอรู้สึก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 ส่วนเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทำอันนั้นแหละนี่เบื้องต้นจะบริกรรมนะบริกรรมเพื่ออะไรต้องรู้ก่อนถ้าจะบริกรรมถ้าบริกรรมเพื่อให้จิตนิน่งให้จิตสงบ OK, ให้จิตดีแล้วก็เป็นสมถะ<ม>เช่นความโกรธเกิดขึ้นบริกรรมพุทโธพุทโธหรือโกรธหนอะโกรธเนอโดยมุ่งหวังให้หายโกรธอันนี้สมถะ<ม>ถ้าบริกรรมเพื่อเตืเอนตัวเองนะเช่นใจมันโกรธขึ้นมาพุทโธ<ๆ>พุทโธพุทโธคือใจนั่นเอง เป็นการเตือนตัวเองให้คอยสังเกตใจอย่างนี้ก็พอจะดูได้แต่ยังไม่ใช่วิปัสนาจริงนึกความโกรธเกิดขึ้นบริกรรมโกรธนอโกรธนอนะเป็นการเตือนตัวเองว่าเมื่อกี้ความโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้ก็พอทนได้แต่ถ้าถ้าจะขึ้นวิปัสนาแท้มันจะไม่มีคําพูดนะแต่ว่าตอนแรกจะบริกรรมก่อนก็ได้นะบริกรรมอะไรของคุณนะอ่ะก็กด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 เ ห, เห็นเห็นเป็นรูปค่ะเป็นเป็นน้ำไหลไหลให้รู้ทันเข้ามาที่จิตเรานะถ้าเห็นอะไรที่เป็นรูปเสียงกลิ่นโลดโผนผ้าอะไรขึ้นมานะให้กลับมาดูที่ใจนะถ้าเห็นเป็นน้ําไหลแล้วใจเกิดสงสัยว่าเอ๊จะทํำยังไงดีเนี่ยรู้ว่ากําลังสงสัย <S S <น>เห็นเป็นน้ําไหลแล้วแหมสนุกจริงเลยรู้ว่าสนุกกลับมาดูใจนะไม่ว่าเห็นอะไรกลับมาดูที่ใจไม่งั้นเดี๋ยวดูตามมันไปแล้วไปเห็นยอย่างอื่นอีก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 รู้สึกไหมตอนนี้มันแข็งแข็งอยู่นิดนึงครับรู้สึกอะะให้รู้นะคเพราะเราไปบังคับมันทีนี้ขณะที่เราเกิดอะไรขึ้นมาในจิตเราเนี่ยเอ๊ะมันขุ่นมัวแล้วก็มาดูที่จิตเราอ๋ตอตัวนี้กลังโกรธหรือไม่โกรธหรือเป็นกลางกล้วอเลยเนี่ยเราดูตรงนี้แล้วเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้นี่ผูถูกรู้มันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราคิดมไม่มไม่ต้องไปคิดช่วยมันไม่ต้องไปคิดช่ยอาก็ยมเห็นสภาวะแล้วอย่าไปคิดช่วยมันนะให้สภาวะมันสอนธรรมะเราเราอย่าไปสอนมันครับ